มันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นมันก็ทราบเนื่อยไปตลอดไปว่าสิงที่เราเคยสงสัยเราเคยจุดข้องนั้นมันเป็นอะไรสิงทมันเป็นขึ้นระยะนี้จะมีอะไรจะเพิ่มเติมจะ ท, ทําบำเพ็ญอีกมันท้าบ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 ยังไม่ตายก็ไม่มีอะไรที่จะละจะถอนอีกท้าเข้าใจทำบริสุทธิ์นั้นมันเหมือนกันหมดไม่ว่าเขาพูดใต้เจ้าหรือสาวกไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่เมื่ออินแล้วมันทราบเด็ยกันทางนั้นนี่คือความอินของอัตของธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวของตัวไม่อย่างนั้นจะต้องมีความสงสัยเรื่อยไป เมื่อยังมีความสงสัยก็ต้องแก้ไขส่องที่วิถิจารณาในวันใดก็วันหนึ่งทางหน้ามันจะเกิดจะเห็นจะเป็นขึ้นในจิตในใจไม่มีการสงสัยไม่มีการใส่าาถ า, ามคนอื่นพอมันเห็นมันเก็นไปจับภาพเจนในจิตในใจอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อความหลุกพ้เพื่อความสุขเพื่อความสงบ นั่ถิสันติพลังฝุกขังฝุกอื่นย่ดกับความเพียความเห็นใหญ่ไม่มีเพราะฝุกอื่นที่เราเคยเห็นเคยเป็นฝุกจอมซ้อมฝึกแล้วเกิดทุกข์ฝึกแล้วไม่แน่นอนจะฝึกวันนี้เป็นทุกวันหน้าดีใจวันนี้จะเรียนวันนี้เสื่อมไปในวันเช้หน้าหรือเสี่ยมไปนนี้จะเริยนขึ้น มันเป็นอยู่อย่างนั้นความเป็นของท่านที่บริสุทธิ์สมมตเหล่านี้ไม่มีในความเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาจะเข้าจะออกอย่างไรนั้นมันเป็นอาสามของจิตจะทาบริสุทธิ์นั้นถ้ามันถึงมันเป็นยื่งจังไม่มีตามเข้าการออก จะจ้างหงใจหาก็มีที่เวลาที่จะเปลี่ยจะเสียไปตามลมปาของชาวโลกครับเพราะความบริสุทธิ์ทั้งท่านบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่วันรู้จนตลอดวันนิทพงนนี่คือความบริสุทธิ์ของตามประเพปฏิบัติทุกคนย่อมเห็นยอมเชืนเมื่อประเพณีปฏิบัติไปถึงจะไม่มีใครสงสัยว่าทําไม จิตจเป็นอย่างนี้ไม่มีตามเช่องใสเพราะความเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาจากมรรคคือศีลสมาธิปัญญาทางนันเนินท้องใจตั้งแตปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเป็นอวสานคือความบริสุทธิ์ท้องใจเป็นอย่างไรนั้นไม่มีคามเช่องใสจําได้ ในจงถามคนอื่นใจเวลานั้นไปประบัติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอย่างไรใจเวลานั้นไปปฏิบัติปฏิบัติอยู่นั้นมันเสื่อมมันเจริญอย่างไรเข้าใจเพราะเรา เ, เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติเป็นผู้เห็นผูรู้แต่นั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรืเ่องสําคัญที่พวกเราท่านจะต้องสร้างหน้าสั้งตา ปฏิบัติรักษาไม่มีคนอื่นที่จะมาทำให้รีดเร่งทั้งรวมตายใจท้องส่วจะ ก, กำหนดอะไรก็กำหนดไปเกี่ยวความสงบคํามรวมรวมของใจแบบพิจารณาอะไรมาสัมผัสโยวข้องพิจารณาไปเกี่ยวเหี้ย ให้เกิดปัญญาเกิดวิชาวิมุติทำเรื่อยไปประเัตปฏิบัติเรื่อยไปเนี่ยได้ยังไม่สิ้นสิ้สุดวิมุขวิชามทำเรืยไปหนคือการปฏิบัติกายใจท่องตัวอย่าไปสนใจเรื่องอื่นยนรื่องกว่างเรื่องการจะเทปฏิบัติตั้งหน้าต่างตาเสียสละมาทุกอย่างเนี่ยผมอยู่ได้ đây. บนพิษสากโกโกนที่ บ่านต้องเข่าคล้อ ง, องล้วป่อตาละเลยมาได้แต่ขี่เหนียปัญหาในใจเราจะต้องทำลายกจาะไขมันถึงเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นมาได้แต ใ, ใจมันโกงคิดผิดข้อทำไมมันจริงไปโกคิดผุดข้ออย่างนั้นมันมาประเฏิบัติโดยมมีใครบังคับบัญชามีศรัทธาเชื่อมั่นในตัว จึงมาประบัตปฏิบัติเมื่อมาถึงแล้วทำไมจึงปล่อยตามเวลาให่เป็นเหมืนในต่างหน้าต่งางตาจะทาบาเพ็ญเอาจริงเอาจงให้จิตใจอยู่ในบ้านยังคิดถึงวัดยังอยากไปปฏิบัติเกี่บามูกความสบายท้องใจเมื่อมาถึงวันแล้วทาไมจิตใจจึงบกชิดิดข้อกับเรื่องของจีปล่อยปละเิื่ จะอจนะสอนพิจารณาสอนจิตท้องตัวไม่อย่างนั้นไม่ทำจะเรื่องท้งองจรลตรีดทีนิ้พิจารณารีบนศะึกษารีบปฏิบัติตาให้มันตายไปเถอะตายในการปร ะ, ประบัติปฏิบัติตายในสงคามคนที่ดนประบัติปฏิบัติภาวนาะมันตายไปนับไม่ถ้วนคนหนัง่งภาวนาะเอาใจาวราใจใจบูช า, ช า, ชาพระเจะาแม่ใจ ตายไปในออกข่าววิทยุนักวิทินมีไหมหายากเสตายในเปนข่าตายเหลือเกลือนกันหานับไม่ถ้วนของดีมีคุณค่าเราทาไมถึงไมยอนเสียสละแลเสี่ยนเอาของดีของนีสุดเสีเปี่ยนเสีย่นเสียทาไมงเมื่อตายถลายชีวิตให้ได้แต่ต้องสอนใจทังตัว นมาแต่ทำ ม, มัม่นเพนมาประพฤติติบอกต้องเป็นตัวเอาจริงเอาจัิงอย่างนั้นถ้าไม่เอาจริงยวไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไปเถอะปล่อยสติปล่อยสัญญาปล่อยจิต ป, ปล่อยใจไหลไปตามสัญญาอารมณ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการร็อกสาไม่มีการหักง่ไม่มีการที่พิจารณาทำแล้วทำมันจะเกิดขึ้นจากที่ไหน ไม่นเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในตาในดวงไม้ในอดแต่จะทําบานทําช่องไม่ได้เพราะเราเหยิบผ้าในต่างหน้าต่างตาตัดเอาไม้ม า, มาทํำบานทําช่อกนี่ตะนั้นจะหักทับคอตายแถวนั้นนี่เราดีในที่สงบสงดัดไม่มีทุระหน้าที่อะไร คจะยุ่งเหยิงวุ่นวายจะก็ไม่ตั้งหน้าตั้งตาพิ่จะได้นั่งไ่ตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตของตัวใจทคามสงบจะใหความทั่วมันหมดไปตกไปมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจึงควรสอนตัวของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังไม่อย่างนั้น เราจะเป็นโมฆจะเป็นหมันาหาอับหาทาไม่ได้เพี <c oughs> ยงแต่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นพระสมา ถ, ถานแต่ฐานที่ตั้งของพระจริงจังไม่มีมีแต่จินตเจี่แต่เพลแต่เพลนแต่เล่นแต่หลงอยู่อย่างนั้นแบบนั้นจะไปอัศจรรย์อะไร ใส่บวชก็ได้หนึ่งโผมผ่าเลี้ยงเลี้ยงกวนอะไรก็ได้ผมมันง่ายจะตายไปพระไม่ได้อยู่ในเทศียงเ่านี้พระที่ดีที่พระพุทธเจ้าถือว่าสาวา่าะสังฆัของพระพุทธเจ้านั้นหมายเชิงพระที่ปฏิบัติปฏิบัติทำละทำลายวิเดสันหาออกจากใจใจไม่ได้คิด ยิ่เยนยิ่งวาใจมนติด้อในโลกในสงสางขนจึงคือว่าเป็นพระพระโสดาบันกลราชกิเลสได้สามตัวคือสัตว์ใจยติถือวิจิตรฉาชิระเพชรจรมาศนั่นในส่นได้อะไรคือออกไปจากใจได้เท่าไรคนนั้นแหละจะมีซ้ำ สุขความสบายความเป็นพระขึ Desde, ้นชาสะสมเท่าไรคนนั้นก็ไม่มีหวัง <t> ที่จะเป็นพระเป็นผ <Good> ู้ระเสดวิเศษได้แต่ยจยติคือลาใจใจนี้เป็นที่สำคัญไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลยึดมั่น เราหวังของของเรายึดถือเอาจริงจจังจองของอื่น จ, จะหมดไปเสียไปขอ ย, ยังอยู่ก็เนพอมีความรักเรื่ององใจความยึดเรื่ององความถือเรื่ององเ้า้งเงินทองาาได้เพมีค่ามากมายขนาดไหนถ้าตายมันจะล้มจะตายไปก็ยอมเสียละ จะให้ร่างกายทั้งตัวยืนยงคงอยู่ยนี่มันรักขนาดนี้เยียกว่าสตายอาทิตติ ค, คือความชื้ตายกว่าตัวชื้นตัวกว่าตายเหนือพิจรารณาในเรื่องธรรมะเพื่อจะละเรื่องท้องใจเยอะกว่าสตายอาทิตติละออกไปจริงจังนั้นขันห์เห้พิจรารณาเบี่ย ง, งขาดเบี่ยงขันธ สายอันนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ ง, 4, นนงสี่คืดอดินน้ําลมไฟไม่ว่าสัตว์ระบุความประกอบขึ้นจากธาตุอันเดียวสามอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีหน้าที่อย่างไรมันก็อเป็นไปอย่างนั้นเราจะไปยึดมั่นว่าของของเรามันก็แก่ก็เท่าก่อล้มก่อตายเราจะไม่ยึดมั่นว่าเป็นของของเรานั้น มันก็ไม่สิทธหายไปที่ไหนเมื ích, th ่อมันยังรวมกันอยู่เราต้อมีโอกาสเวลาที่จะทําดีทำเชื่อได้ให้พี่เยนาให้มันทั่วถึงเรื่องท้องใจอย่าไปเกิดความยึดความถือจนเศร้าหมองในจิตในใจจนเดือดร้อนในจิตในใจให้พี่เยนาแก่หายใจท่องตัวให้สะอาดเรื่องท้องใจตามเป็นจริงของมัน เนื้อทราบเรื่องของมันจริงจังมันไม่ยึดเรื่องของกายของกายอันนี้เป็นหินหรือเป็นบ้านอาศัยทย้องใจไม่ใช่ใจเป็นกายไม่ใช่ตายเป็นใจเป็นคนละอันละอย่างจะทราบจะเขยใจอย่างนั้นเมื่อมันท้าบมันเขยใจอย่างนั้นความยึดมัน่นเยาว์จากกายยึดถิมันจะตกไปหมดไปแต่ ต่อนี้ยังอยู่ใช้สอยได้อยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาที่ไหนได้ตามฟังตามจะใจน่ไปยดจะไปหลงบากายนีเป็นเราเราเป็นมันจะต้องเป็นต้องเห็นในใจทังตัวชัดเจนถ้าไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นมันยังยึดอยู่กว่าให้ที่ใจนามันตามเรื่องของา ธาบยิ้นคือสิ่งที่กลนแข็งอยู่ในเนื้อในตัวของเราเป็นธาบยินเราจะไปตีเศษขนามไหนจะตีเยษไปในได้ผมขนเลือฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆมันพังลงไปมันผุลงไปมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นยินเถอน้องมันว่ามันเป็นเราหรือไม่หรือเราไปยึดไปถือไปแบกไปหามมาที่เราเน้น มันเป็นเราเป็นของของเราแ็่ถามมันดีสิขนก็ดีแล็บก็ดีขนก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีกระดูกก็ดีมันเป็นเราไหมมันมีมือนคำสอแต่เราก็จะยึดมันหลงมันรีบเลื่อที่จนาหาใจมันละหายใจมันถอนห้ใจมันเห็นหายใจมันรู้มันจะถอดถอนความยึดมั่น มต่เราหรือทองเราไปเนี่ยมันคิดใจน่าไปในเนี่ยนี้ทานองนี้ทำละความถอนจากความยึดความถือมันจะค่อยถอดถอนออกไปเพราะใจมันเข้าหาอัดหาทำมันเห็นมันเป็นในจิตในใจนอกจากนั้นก็จะทับไล่ลาข้าซันแหว์ทมดา่ามำําหนัดในจิตในใจให้ตกไปอีกเหมือนกัน เพราะเราถือใช้ยึดใช้แลายึดว่าใช้และหนุนว่าใวนี่เหลือะงามต่ต่างก็คอยึดก่อนใช้อันนี้ถือก่อนใช้อัน i, น, ốt, น, อนี้หลงไหลใสฝันติดพบพลาดไหมนับไม่ถวนก็หลงเรื่องันนี้ถัดไปคือชาตที่เจนนะเรื่องของกายจนเกิดจักรยานที่ติดเทวรความ หลงของเก่าวิธีจีบสาวความสงสัยในเรื่องเหล่านี้มันจะมีมาจากที่ไหนเพ้าะมันเห็นในใจใจอันนี้มันจะขาดทั้งสี่จริงจังถ้าจะพูดเนือกว่าขาดทั้งสี่นันไม่ใช่ขาดบุคคลจะเป็นเราเข่หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นใครจะห้ามกล้ามในได้จะมียาดิบดีขนาดไหนแก้ไข ไม่ตกเกิดมาแล้วก็จะส่องแปร่ปวนและแสละในรา ย, ยหญิงรายชายใน่ายอาดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นมีเสื้อเศ้าในจิตในใจทังตัวทผ่อถึงมันหนีทางสงสัยจะเกิดดีชีพาอย่างไรเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรเป็นจริงจปนจริงอย่างนั้นจะรูปทาอะไรการประบัติปฏิบัติทั้งใจจะเกิดชีวิ ถ้าตับป้ามาอย่างไรพราะหน้าที่จะปฏิทิปฏิบัติอย่างไรปฏิทินปฏิบัติไปในนิทานเฉลยไส้ว่าศีลประวัติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ้ที่ปฏิทิปฏิบัติการจัดขับไล่ความลืมหลวงออกไปแก้ไขสิงชี่ิตโตกโรกเสียมลศีรษาทับขมจิตใจให้ตกใ้หมดใจใจสะอาดใจสงบ ใจเยือกเย็นใจเบิกบานใจรู้ใจตื่นเป็นด่างไรจะเห็นจะเป็นในสิ่งศรับธามเพโดยไม่ต้องเสียงใสทุกระจะเกิดขึ้นกับใจรู้ตื่นเบิกบานไม่มีตารเหนื่อยเหนือยไม่มีการหลับตาหลนี่คือผู้ปฏิบัติตามอัตธรรมของพระเจ้า จะต้องเป็นต้องเห็นต้องรู้ทุกูิทุก น, นามไปถ้าไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้อย่างนีจจ้จะเป็นอะไรชื่อว่าผู้ประเคิดปฏิบัติเพื่ออับเที่ยงเพียงต่างหน้าต่างตาจะทําบําเพ็ญภาวนานะอย่าไปคิดว่าวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนไปนั้นก่อนอยู่นี่หนยเหมาะไม่ะเสพไปนั้นจึงจะ อยากทำบำเพ็ญหมันเห็นมันรู้อย่าไปคิดอยู่ที่ไหนทําที่นั้นเพราะพิรุธมันเบี่างการอบี่ยงเวลาจะอยู่ในป่าในบ้างมันเกิดขึ้นได้การชาระสาสมพิรลดการทํลทาลายทพิรุธเราจินต้องทําอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดินคือที่พจริญสละมันเรื่อยไปเหนืออะไรมันยังไม่บริสุทธิ์ ยังไม่ถึงรีมูรเราจะต้องแน้สอนและตั้งจิตจะทําบําเพ็ญอย่างนี้เมื่ยคือตั้งจิตตั้งคิดตรงไปอย่างนี้ก็มีโอกาสเวลาที่จะทำลายลังอิชฉาปัญหาอุปาทานให้ตกให้ขาดไปจากจิตจากใจถ้าไม่ตั้งใจอย่างนี้ก็ ม, มีโอกาสเวลาให้จะอยู่ในป่าสงบะ ง, งับขนาดไหน จิตใจมันัวโง่คิดติดข้อว่ไมเหมาะอย่างนั้นมันสมควรอย่างนี้นี้จะคิดออกนอกเดือยไปหนุ่มเสใจเสี่เรื่องของกิเลสตัญหานาํำกิเลสตัญหามาเป็นต่าสดาของใจมันจึงนไปอย่างนั้นแต่นั้นขอทวกท่านเชียงตังแน่ตังตาบาเพ็ญภาวานาตามหน้าที่ของตนสิ่งโลกทั่วไปเขา สมมติให้ว ph ่าพวกเราเป็นนักปฏิบัติเกี่ยวกับจับความเสียความเสียที่มีอยู่ในตัวให้หมดไปตกไปใจจะมีความผ่องใสใจจะมีความฝุกมีความสงบอย่าไปคิดว่ายังไม่ถึงการถึงเวลายังไม่สัหน้าสั่งตาจะเอาจิงเอาจัิงอย่ไปเลี้ยงมันไว้ ยึดยุ่งเหยิงัหาข้งใจยืดขไร้น้นไมันเป็นทิเป็นไปมันให้ทิกให้คู่แต่เราทุกคนสนใจและสอนใจตั้งมันในการปฏิบัติเราทุกคนยาจะเห็นเนื่อความสงบสงบความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นอยากพอสมควรเสียเวลาไว้ดติเียงเสนี้ ก็ยัง